มวกกัดพิสุขผู้กระหายธรรมเมื่อแรกบวดก็ได้ไปปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงพ่อแอกวัดคอโคซึ่งอยู่ชาญเมืองสุรีวิธีการเจริญกรรมฐานในสมัยนั้นก็ไม่มีวิธีอะไรมากมายนัก วิชาที่หลวงพ่อแอดสอนในสมัยนั้นคือจุดเทียนขึ้นมาห้าเร่มแล้วนั่งบริกรรมว่าขออันเชิญปิติทั้งห้าจงมาหาเราดังนี้เท่านั้นแต่หลวงปู่หลวงปู่ดุลก็ได้ภาคเพียนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความวิรยิยาอุตสาหะอย่างแรงกล้า พยายามบริกรรมเรื่อยมาจนครบปตายมากโดยไม่ลดละแต่ก็ไม่ปรากฏเห็นผลอันใดแม้แต่เล็กน้อยนอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนทรมานร่างกายเพื่อเผาผลาญอิเลสด้วยความเข้มงวดกวดขันการขบฉันอาหารวันก่อนเคยฉันเจ็ดคำก็ลดเหลือหก แล้วลดลงไปอีกตามลำดับจนกระทั่งร่างกายสู้พร้อมโตเตสู้ไม่ไหวจึงหันมาฉันอาหารตามเดิมระยะนั้นก็ไม่เคยท้อถอยสู้บำเพ็ญภาวนาไปเรื่อยๆตามที่ธนาจารย์อบรมสั่งสอนนอกจากนี้ก็ใช้เวลาที่เหลือ ท่องบนเจ็ดตำมานบ้างสิบสองตำมานบ้างแต่ไม่ได้ศึกษาพระวินัยเลยเรื่องวินัยที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาเพื่อเป็นรากฐานของสมาธิภาวนานั้นท่านไ ม, ม่ทัามีหน้ำซ้ำระว่างที่อยู่วัดดังกล่าวพระในวัดนั้น ยังใช้ให้ท่านสร้างเกวียงและเลี้ยงโคอีกด้วยท่านจึงเกิดความสรหลดสังเวชและเบื่อหน่ายเป็นกำลังแต่ก็อยู่มาจนกระทั่งได้ถึงหกพันปศาเมื่อได้ทราบข่าวาที่จังหวัดอุบราชธานีมีการเรียนการสอนพระปริยติธรรมก็เกิดความยินดีเป็นล้นพ้น รีบก็บไปขออนุญาตท่านพระครูวิมลศิลพพศผู้ประชารยาจานเพื่อไปศึกษาแต่ก็ถูกคัดค้านกลับมาท่านไม่ได้ลดละความพยายามไปขออยู่เรื่อยเืจนกระทั่งครูประชาเห็นว่าท่านมีความตั้งใจจริงจึงอนุญาตให้ไปโดยมีครูคง และครูดิบไปเป็นเพื่อนนักธรรมชั้นตรีเมื่อแรกไปถึงจังหวัดอุบลนั้นเขาไม่รับท่านเหตุธรรมมัตอยู่ที่วัดรรมยุดได้เพราะต่างนิกายกัน คือท่านบวชมหานิกายแม้จะอนุมัติให้เข้าเรียนได้ก็ตามดังนั้นท่านจึงต้องไปอยู่วัดหลวงซึ่งการบินกบาทเป็นไปได้ยากจะรึกเกินพอดีหลวงพี่มนัสซึ่งเดินทางไปเรียนก่อนได้แวะไปเยี่ยมสราบความเข้าจึงพาท่านไปฝากอยู่อาศัย พร้อมทั้งศึกษาพระปริยัติธรรมไปด้วยที่วัดสุทัศนารามแต่เนื่องจากวัดนี้เป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธ์จึงไม่อาจให้ท่านอยู่ที่วัดได้อีกแหละด้วยเหตุผลที่นาควาังว่ามิได้รังเกียจแต่เกรงจะเกิดผลกระทบต่อความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้บริหารการคณะสงฆ์ของนิกายทั้งสองอย่างไรก็ดีด้วยเมตตาธรรมทางวัด ส, สุทัศน์ได้แสดงความเอือเ้อเฟื้อด้วยวิธีการอันแยกคายโดยรับให้ท่านพม่าอยู่ได้ในฐานะพระอากันตุ ก, กะผู้มาเยี่ยเยียนแต่อยู่นานหน่อย ความเป็นอยู่ของท่านจริงค่อยกระเทือนขึ้นคือเป็นไปได้สะดวกบ้างท่านเดมุมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนอริยติธรรมอย่างเต็มสติกำลังจนกระทั่งประสบผลสำเร็จคือสามารถสอบไล่ได้ประกาศนิยบัตรนักธรรมชันตรีนวกะภูิเป็นรุ่นแรก ของจังหวัดอุบลราชธานีและยังได้เรียนบาลีวยากรจนสามารถแปลพระธรรมบทได้นับว่ท่านได้บรรลุปณิธานที่ได้สร้างไว้ในการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปศึกษาต่อณนะต่างแดนแล้วที่กล่าวเช่นนี้เพราะการคมนาคมระหว่างสุรินทร์อุบลในสมัยนั้น เป็นไปโดยยากจนนับได้ว่าเป็นต่างแดนจริงๆทีเดียวยัดติใหม่ต่อมาท่านได้พยายามอย่างยิ่งที่จะยัดติจากนิจายเดิม มาเป็นธรรมยุติกนณกายแต่ทางคณะสงฆ์ธรรมยุตโดยเฉพาะพระธรรมป่าโมกติดโสอ้วนเจ้าคณะมณฑลในขณะนั้นซึ่งเป็นพระเทระั้นผู้ใหญ่พระนักบริหารผู้มีสายตาไกลและมีจิตใจกว้างขวางได้ให้ความเห็นว่า อยากจะให้ท่านศึกษาเล่าเรียนไปก่อนไม่ต้องยัดติใหม่เนื่องจากทางคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์มีนโยบายจะให้ท่านกลับไปพัฒนาการศึกษาพระปริยติธรรมที่จังหวัดสุรินบ้านเดิมของท่านในเจริญรุ่งเรืองเพราะต้ายัดติแล้วเมื่อท่านกลับไปสุรินท่านก็จะต้องอยู่โดดเดี่ยวเนื่องจากในสมัยนั้น ยังไม่มีวัดฝ่ายธรรมยุทธ์ที่จังหวัดสุรินเลยแต่ตามความตั้งใจของท่านเองนั้นท่านมิได้มีความประสงค์จะกลับไปสอนพระปริยติธรรมท่านจึงได้พยายามขอัาติต่อไปอีกต่อมาซึ่งจะนับว่าเป็นโชคของท่านก็ว่าได้เพราะถ้ามีโอกาสได้คุ้นเคยกับ ท่านอาจารย์สิงห์ันตยาขโมุกซึ่งรับระชการครูทั้งที่ยังเป็นพระสงค์อยู่ในขณะนั้นที่วัดสุทัศน์จังหวัดอุบลท่านอาจารย์สิงห์ชอบอัจยาสายไมยตรีของหลวงปู่ดุลและเห็นปฏิปทาในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมทั้งการประพฤติปฏิบัติกิจในพระศาสนาของท่าน ว่าเป็นปด้วยความตั้งใจจริงท่านอาจารย์สิงห์จึงได้ช่วยเหลือท่านในการขอัาติจนกระทั่งประสบผลสำเร็จดังนั้นในปี2461ขณะเมื่ออายุ31ปีท่านจึงได้ัาติจากนิกายเดิม มาอุปสมบทเป็นพระพิษุในธรรมยุตสนิกายณพระเจดีมาวัดสุทัศน์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัฐเป็นพระอุปัชาพระศาสนาดิรกเจ้าคณะมณฑลอุดรเป็นพระกรรมวาจาจางถ้าหกัก น, นัระยะเวลาที่ตนไปอยู่ที่วัดสุทัศน์ในฐานะพระอักันตุ ก, กะ จนกระทั่งได้รับเมตตาอนุญาตให้ได้ยักติก็เป็นเวลานานถึงสี่ปีรวมเวลาที่ดำรงอยู่ในภาวะของนิกายเดินก็เป็นเวลานานถึงสิบปี พระอาจารย์มั่นภูริทตตะเถระครั้งแรกจากการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยติธรรมและได้พิจารณาข้อธรรมเหล่านั้นจนแตกฐานช่ำชองพอสมควรแล้ว ก็เห็นว่าการเรียนปริยติธรรมอย่างเดียวนั้นเป็นแต่เพียงการจาหัวข้อธรรมะได้เท่านั้นส่วนการปฏิบัติให้ได้ผลและได้รู้รพระธรรมอย่างทราบซึงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งตังหากท่านจึงบังเกิดความเบื่อนหน่ายแระท้อถอยในการเรียนพระปริยติธรรม เะามีความสนใจโน้มเอียงไปในทางปฏิบัติธรรมทางธุดงกรรมฐานอย่างแน่วแนว่นับว่าเป็นบุญยญาราบของหลวงปู่ดุลยอย่างประเสริฐที่ในภพันษานั่นเองท่านพระอาจารย์มั่นภูริธัฒเถระพระปรมาจารย์ผู้ยิ่นใายฝ่ายอรัญยวาสี ได้เดินทางกลับจากทุดงกรรมฐานมาพำมักจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพาจังหวัดอุบลข่าวที่พระอาจารย์มั่นมาจำพรรษาที่วัดบุรพานั้นเรื่องลือไปทุกทิศทางทำให้พิสุสมมณเณรบรรดาศิษย์และประชาชนแตกตื่นพื้นตัว พากันไปฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นท่านกับท่านอาจารย์สิงห์สองสหายก็ไม่เคยล่าหลังเพื่อนในเรื่องเช่นนี้ก็จึงได้พากันไปฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นกันเป็นประจำไม่ขาดแม้สักครั้งเดียวนอกจากได้ฟังธรรมะแปลกๆที่สมบูรณ์ด้วยอัฏพยัญชนะ มีความหมายรึกซึ้งและรักกุมกว้างขวางยังได้มีโอกาสเฝ้าสังเกตปฏิปทาของพระเนาจารมั่นที่งดงามมากเรื่มไสทุกกิริยาบทอีกด้วยถ้าไม่เกิดความทราบซึ้งถึงใจคำพูดแต่ละคำมีไมนแปลก ด, ดี ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจึงเพิ่มความสนใจใคร่ประพฤิปฏิติทางธุดงกรรมาฐานมากยิ่งขึ้นทุกทีออกธุดงครั้งแรกครั้นออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์มั่นได้ออกธุดงอีก พิสุสองสาหายคือพระอาจารย์สิงขันตยาขโมกับลุงปู ด, ดุลอตุโลจึงตัดถึงใจสละละทิง้งการสอนการเรียนออกทุดงติดตามพระปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปทุกแห่งจนตลอดฤดูกาลนอกพรรษานั้นตามธรรมเนียมธุดงกรรมฐาน ของพระอาจารย์มั่นมีอยู่ว่าเมื่อถึงการเข้าภรรษาไม่ให้จำพรรษารวมกันมากเกินไปให้แยกกันไปจำพรรษาตามสถานที่อันวิเวกไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นป่าเป็นถ้ำเป็นเขาโคนไม้ป่าชา้าลอมฟางเรือนว่างหรืออะไรตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคลแต่ละคณะ เมื่อออกพรรษาแล้วหากทราบข่าวว่าพระอาจารย์มั่นอยู่ณที่ใดก็พากันไปจากทุกทิศทุกทางมุ่งไปยังณที่นั้นเพื่อเรียนพระธรรมฐานและเล่าแจ้งถึงผลการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อมีอันาดผิดท่านประมาจการจะได้ช่วยแนะนำแก้ไขอันใดถูกต้องดีแล้ว ท่านจะได้แนะนำข้อกรรมฐานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นเมื่อจวนจะถึงการข้าบุริมพรรษาคือพรรษาแรกแห่งการทุดงของท่านคณะของหลวงปู่ดุลย์ินงพากันแยกจากท่านพระอาจารย์มั่นเดินทุดงผ่านไปทางอำเภอ ท่าคันโทจังหวัดกาลสิงรั้นถึงป่าท่าคันโทขอสมมติทาเป็นสมัติวัดป่าเข้าพรรษาด้วยกันห้ารูปคือท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาธโมท่านพระอาจารย์บุญท่านพระอาจารย์สีทาท่านพระอาจารย์หนู และท่านพระอาจารย์ดุลอาตุโลคือตัวหลวงปู่เองเมื่อชวนจะถึงการเข้าปุริมพรรษาคือพรรษาแรกแห่งการพุทโธของท่านคณะของหลวงปู่ดุล จึงพากันแยกจากท่านพระอาจารย์มั่นเดินทุดงผ่านไปผ่านอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสิง์ครั้นถึงป่าท่าคันโทก็สมมติทำเป็นสมักวัดป่าเข้าพรรษาด้วยกันห้ารูปคือท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโม ท่านพระอาจารย์บุญท่านพระอาจารย์สีภาท่านพระอาจารย์หนูและท่านพระอาจารย์ดุลอะตุโลคือตัวหลวงปู่เองทุกท่านทุกองค์ปฏิบัติตนปราลบความเพียรอย่างอุกฤตรแรงกล้าปฏิบัติตามคําอบรมสั่งสอนของท่านประมาจารนอย่างสุดขีดครั้งนั้น บริเวณแห่งนั้นเป็นสถานที่ธุรกันดานเกลือนกลมเพได้สัตว์ป่าที่ดุร้ายไข่ป่าก็ชุกชุมมากยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ดังนั้นยังไม่ทันถึงครึ่งพรนษาก็าปรากฏว่าอาพาธเป็นไข้ป่ากันหมดยกเว้นท่านอาจารย์หนูองเดียว างก็ได้ช่วยกันรับใช้พยาบาลกันไปตามมีตามเกิดยูกยาที่จะนามาเยียวยารักษากันก็ไม่มีความป่วยไข้เราก็ไม่ยอมลดละเห็นแก่น้ากันบ้างเลยจนกระทั่งอง์หนึ่งถึงแก่มรณะภาพลงในกลางพรรษานั่นเองมรณะภาพลงต่อหน้าต่อตาเพื่อนสหธรรมิกยังน่าเวทนา ไม่อาจจะช่วยเหลือกันอย่างไรประการใดได้เลยยูกยานั้นอย่าได้ถามหากันเลยสำหรับหลวงปูด่ดุลอตุโลนั้นคร้นได้สสำเนียกรู้ว่ามารุตตยู่กำลังคุกคามอย่างแรงอีกทั้งหยูกยาที่จะนามารักษาพยาบาลก็ไม่มีจึงตัดเตือนตนว่า ถึงอย่างไรตัวเราจะไม่พ้นเงี้ยมือของความตายในพัรษานี้เป็นแม่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แม้นเราจะตายก็จงตายในสมาธิภาวนาเถิดนี่ท่านตั้งความปรารถนาไว้อย่างแรงกล้าอุกฤษเพียงนี้ ท่านจึงประรบความเพียรต่อไปอย่างเอาเป็นเอาตายตั้งสติให้สมบูรณ์พยายามดำรงจิตให้อยู่ในสมาธิอย่างมั่นคงทุกอิริยาบถพร้อมทางพิจารณาความตายคือมีมรณ า, านุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ไปด้วยโดยไม่ยอดท้อพรั่นพรึงต่อมรณะภัยที่กำลังคุกคาม จะมาถึงตัวในไม่ช้านี้เลยเริ่มปรากฏผลจากการปฏิบัติณป่าภาคคันโทจังหวัดกาลสินนี้เองการปฏิบัติทางจิตที่หลวงปู่ดุลท่านได้ภาเพียงบำเพ็ญดูยังไม่ลดละก็ได้บังเกิดผลอย่างเต็มภาคภูมิกล่าวคือ ขณะที่นั่งภาวนาอยู่ตั้งแต่หัวค่าจนดึกมากนั้นจิตก็ค่อยๆอยั่งลงสู่ความสงบจะให้บังเกิดนิมิตแปลกกว่าผู้อื่นขึ้นมาคือเห็นพระพุทธรูปปรากฏขึ้นที่ตัวของท่านเพราะหนึ่งว่าตัวของท่านเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งท่านพยายามพิจารณาดูรูปนิมิตต่อไปอีก แม้ขณะที่ออกจากที่บําเพ็ญสมาธิภาวนาแล้วและขณะออกเดินไปสู่ละแวกบ้านปลาเพื่อบินทบาทก็เห็นปรากฏอยู่เช่นนั้นวันต่อมาอีกก่อนที่รูปมิ้นิจจะหายไปขณะที่โดนกลับจากบินทะบาทท่านได้พิจารณาดูตนเองก็ได้ปรากฏเห็นชัดเจนว่า เป็นโครงกระดูกทุกส่วนสัตว์วันนั้นจึงเกิดความรู้สึกไม่อยากฉันอาหารจึงอาศัยความอิ่มเอิบใจของสมาธิจิตกระทำความเพียรต่อไปเช่นโดนจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างตลอดวันตลอดคืน แล้วในขณะนั้นเองแสงแห่งพระธรรมก็บังเกิดขึ้นปรากฏกับจิตของท่านอย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งท่านสามารถแยกจิตกับกิเลสออกจากกันได้รู้ชัดว่าอะไรคือจิตอะไรคือกิเลสจิตปรุงกิเลสหรือกิเลสปรุงจิต และเข้าใจสภาพเดิมของจิตที่แพ้จริงได้จนรู้วกิเลสส่วนไหนละได้แล้วส่วนไหนยังละไม่ได้ดังนี้การปฏิบัติได้ผลเป็นประการใดในครั้งนั้นท่านไม่ได้บอกเล่าใครในพรรษานั้นเคยเล่าให้ท่านอาจารย์สิงทราบแต่เพียงว่าจิตของท่าน เป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อท่านอาจารย์อาศึงท่านอาจารย์สิงห์ก็ชมว่าถูกทางแล้วและแสดงความยินดีด้วยตัวท่านนึกอยากให้ออกพรรษาโดยเร็วจะได้ไปนมัสการพระอาจารย์มั่นและกราบเรียนถึงผลการปฏิบัติทั้งรับคำแนะนำทางปฏิบัติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก ทำ ส, สรรเสริมครั้งแรกจากพระอาจารย์มัน่นครั้งออกพรรษาแล้วทุกรูปต่างแยกย้ายกันออกจากที่นะั่นเดินทุดงต่อไปหลวงปู่ดุลไปด้วย ก, กันกับท่านอาจารย์สิงห์ต่อมาก็แยกทางกับท่านอาจารย์สิงห์คือไปคนละทางกัน แต่มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันจุดมุ่งหมายนั้นอยู่ที่จะไปนมัส ก, การพระอาจารย์มัน่น